กายสังสักคะสิกขาบทภิกษุถูกต้องกายกับมาตุคามต้องอาบัตสามอย่างคือหนึ่งใช้กายจับต้องกายต้องอาบัตสังฆาทิเศษ ส, สใช้กายจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุลใจสใช้ของที่เนื่องด้วยกายจับต้องของที่เนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุกกฎ